ข้าพระเจ้าขอถวายนามาสการแด่พระนาถาพระองค์ใดผู้ประกอบไปด้วยพระมหากรุณาผู้ทรงกระทาซึ่งกรรมทั้งหลายที่ทำได้ยากยิ่งนักตลอดกาลอันนับประมาณไม่ได้แม้ด้วยหลายโกรธกับทรงถึงซึ่งความยากลาบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกข้าพระเจ้าขอถวายนามสการแด่พระธรรมอันประเสริฐนั้นที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเสพอยู่เป็นนิจ กานขจัดเสียซึ่งขายคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นซึ่งสัตว์โลกเมื่อ ย, ยังไม่อย่างรู้จึงท่องเที่ยวไปสู่พบน้อยและพพใหญ่อย่างยาวนานข้าพระเจ้าขอถวายนมัส ก, การด้วยเสียงกล่าวแด่พระอริยสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยคุณทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาทณทัศนะเป็นข้อมูลเป็นบุญญาเขตของชนทั้งหลายผู้มีความปรารถนาด้วยกุศลนั้น